ทำหน้านที่ดูเท่านั้นเองเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาได้สุดท้ายจิตก็ฉลาดก็รู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอจิตได้เห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกความสุขเกิดแล้วความสุขดั บ, ค ว, ดบความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ดับโลภโลดหลงเกิดแล้วก็ดับนะกูศนเกิดแล้วก็ดับอย่งางบางทีเรามีศรัทธาบางทีก็ไม่มีศรัทธาศรันะทธาเนี่ย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 ถ้าทพเทศจบนะไอคนที่จัดเทศต้งมาว่าท่านทำไมไม่สอนให้คนรักษาศีลเนี่ยมแต่สอนเจริญสติอย่างเดียวนะไม่มีทมทานรักษาศีลทำสมาธิอะไรเลย mm. ท่าน่าหัวเราะนะาแต่ท่านไม่ได้หัวเราะเขาหรอกท่านไม่ว่าอะไรเขามาหัวเราะให้หลวงพ่อฟังบอกเขาก็ถูกอย่างของเขานะเราก็ถูกอย่างของเราเนะอาจารย์ประมทเนาะอย่างี้ ถ้าเรามีสติแล้วก็มีศีลแล้วมีสติแล้วก็มีสมาธิเรามีสติแล้วก็มีปัญญานี่ยใช่ไหมท่านจับเอาต้นต่อมันได้คนไม่เข้าใจเขคิดว่าต้องเทศให้มีศีลสอนโยมให้ตายสอนให้มีศีลมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละไม่มีสตินะเดี๋ยวศีลก็ขาดแล้วงั้นสติสําคัญนะพวกเรามีสติให้มาก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 แต่พอถึงปัจจุบันพอมีความสุขเราก็มีความยินดีในความสุขเรากำลังทำอาคุศลในปัจจุบันอีกแล้วนะแต่ไปความสุขหายไปเราก็จะเศร้าโศกนี่เราก็จะได้รับผลของอาคุศนตัวนี้รู้ทันมันเข้าไปเลย อ, อย่าไปทอถอยนะค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำกนะารเพิ่มใครทาเอานะรู้ทันใจของเราเข้าไปกิเลสอะไรแทรกอยู่นะรู้มันเข้าไปไม่ใช่รู้เพื่อจะละนะ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 อนัตตาจริงนะบังคับไม่ได้จริงอะ่ะแต่ถ้าเราเพิ่มสติขึ้นไมัมนก็ไม่หายไปนะเพิ่มพลังของสติพัฒนาสติไปเรื่อยหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะสติจะเข้มแข็งขึ้นมามองผิดไหมคะว่าเป็นอนัตตาได้ไปไม่ผิดหรอกเพราะว่าสเพ ธ, ธมาอนัตตาอะไรๆก็อนัตตาหมดอ่ะไม่ผิดหรอกถ้ามองว่าเป็นอันตาละผิดแต่ว่าไม่ใช่ไปยอมว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ช่างมันเลยนะ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 ในชั้นต้นเนี่ยเราต้องฝึกทําก่อนใช่ไหมเจ้าคะแล้วต่อไปแล้วมันถึงจะเป็น อ, อนตอุเบกขามีหลายแบบเนาะโยมเจ้าขาอุเบกขาเพราะว่า ส, สมาธิก็มีจิตมันสงบนะใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยอบบุเบกขาอย่างนี้เกิดจากสมาธิก็ง่ายๆแหละอุเบกขาที่ดีเนี่ยเกิดจากปัญญาอย่างเราเห็นในใจของเราเรื่อยๆความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์กา ม, กมาแล้วก็ไปเห็นซ้ําๆนะต่อไปใจก็อุเบกขากระสุขและทุกข์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 ค่อยๆแยกไปเรื่อยอะไรๆก็ถูกรู้ไม่ใช่จิตหรอกถ้าำทําชํานาญนะจะราคาโทสะกุศลนกกุศลเลยก็เหมือนแขกมาบ้านหมดเลยคืออย่างนั้นนะก็คือแค่รับรู้ว่าเขาบ่าแค่นั้นเองแค่เขามาแค่เขายังอยู่แค่เขาไป่รูร้ไปเรื่อยๆเหมือนคนมาบ้านเราอะคนมาบ้านเราเรายังไม่รู้รเรื่องเลยก็แย่สิเนาะครับคอีกเล็ข้อครับคือเมื่อเช้าที่ท่านพระอาจารย์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 มันเหมือนกับข้างในเ็าทำงานอะไรก็ออไปเรื่อยๆตัวอย่างนั้นจิตถึงฐานหรือเปล่าดูออกไหมออบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ขน<ณ>าดนี้นหละไม่ <laughs> มีอะไรอีกไหม อ, อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้นนะเขาว่ า, ารจริตของควรจะดูอะไรคะช่างคิดไหมช่าง <sh> คิดจ้ะช่างคิดดูจิตไปการดูจิ ต, จตนะนะก็คือดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง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 นมัส ก, การหลวงพ่อคะอ่ะหนูติดอะไรไหมคะต้องติดสิไม่ติดเป็นพระรหันเห็นไหม<ค>ว่าเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันนะเห็นค่ะนะค่อยฝึกไปไละแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ปัญญาแก่กล้าก็ต้องดูอนัตตาเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้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 การนมัสกรารหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็เคยได้ฟังซีดีของพ่อมารครับแล้วเข้ า, าคอ ร, ร์สหรือเปล่าครับแล้วเข้าคอรส์สใช่ไหมเข้าคอร์สครับ<อ>ครับก็มาครั้งแรกครับแล้วก็ปฏิบัติทางด้านดูจิตครับแล้วก็ปฏิบัติมาประมาณรุ่มๆปีหนึ่งนะครับ<อ>แล้วก็บางครั้งก็การดูจิตบางครั้งก็ก็เห็นกายก็ดูกายด้วยใช่ครับงั้นกรบก็ขออนุญาต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 ต้องค่อยๆดูค่ะมันตกใจว่ามไม่ใช่เราหลบนอนไม่ใช่เราประกาศชัดเลยเออนะไม่ใช่เราเหรอกก็ถูกแล้วล่ะคันนี้โยมก็ตกใจแล้วก็ตอนหลังนี้รูปนี้เป็นทุกข์มากโยมก็รู้สึกสังเวชใจน้ำตาไหลออกมาแล้วก็เกิดว่าเขาประกาศบอกว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์จะเดินไปในคอเขาบอกว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์